ธรรมะที่หลวงพ่อบอกใหก้เกินพอนะสำหรับการปฏิบัติเพื่อปลนทุกข์ถ้าเราจับหลักที่หลวงพ่อบอกให้แม่นๆการพอนนามไม่ใช่เรื่องยากไม่เหลือวิสัยเลยที่คนธรมธรมดาธรรมดาอย่างพวกเราคนหนึ่งนะจะทำได้ธรรมะมันยากถ้าเราไม่รู้ทางทคิดเอาเอง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 มีโมหะตัวเดียวถ้าไม่มีโมหะราคาโทรศั์ไม่มาราคาโทรศั์ไม่มีไม่ได้ทำผิดศีลอะไรหรือมีความลงผิดถ้าฆ่าสัตว์แล้วไม่บาปฆ่ า, าสัตว์แล้วเป็นบุญพวกมีชฉาทิจจิตงนี้ก็ทำผิดศีลได้เงีองให้เราคอยรู้ทันนะหลักการปฏิบัติไม่ยากอะไรหรอกถ้าเมื่อไรสติเกิดเมื่อนั้นกิเลส ด, ดับเมื่อไรสติดับเมื่อนั้นกิเลสเกิด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 เรามีสตินะต่อไปพระกิเลสเกิดที่จิตเรารู้ปั๊บนะี่กิเลตดับกิเลตดับสีนอะัตโนมัติจะเกิดนี้มาฝึกต่อให้ได้สมัครทีเราต้องมีสติเป็นเครื่องมือนะถ้ามีสติหลวงพ่อเคยเจอโลงพ่อคําเขียนตอนนั้นไปเจอท่านครั้งแรกท่านเป็นมะเร็งไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลไปถึงไปไหว้ท่านตามทัานท่านก็คุยธรรมะด้วย